สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้รู้กันแล้วว่ามีรูปแบบในการเกิดสองรูปแบบต่อจากนี้ไปทางสายปฏิบัติธรรมสัมมาสัมพุท ธ, ธะปชิมาสัมพุท ธ, ธะของเราก็จะขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่การไขรหัสชีวิตเปิดกรรมค้นหาตัวตน เพื่อรู้ว่าคุณนั้นเป็นในรูปแบบที่หนึ่งหรือที่สองชีวิตของคุณเกิดมาเพื่ออะไรสิ่งต่างๆ ท, ที่กระทบผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณนั้นคือบททดสอบหรือคือนี่กรรมที่คุณนั้นต้องมาชดใช้โดยทางสายปฏิบัติของเราจะมีครูบาอาจารย์ ที่จะคอยชีย้ทางและช่วยคุณในการค้นหาตัวตนการที่เราจะต้องรู้ว่าเรานั้นเกิดมาเพื่ออะไรจำเป็นอย่างยิ่งเพราะหากว่าเรานั้นไม่รู้หน้าที่ของตนก็เปรียบเสมือนคนที่ไปทำงานในจุดใดจุดหนึ่ง และมีระยะเวลาในการจำกัดว่าจะไปแค่กี่ปีกี่เดือนแต่เมื่อเราไปถึงในที่ที่นั้นแล้วเรากลับลืมว่ามีหน้าที่อะไรที่จะต้องไปทำมัวแต่หลงอยู่ในสิ่งที่เป็นสิ่งหลอกล่อทั้งหลายจนหมดเวลาแล้วยังไม่ได้กระทำ ในหน้าที่ของตนในสิ่งที่ตนนั้นได้ตั้งใจเอาไว้เลยและการที่เรานั้นรู้ว่าเรามาเพื่อสิ่งใดทำอะไรก็จะเป็นการเห็นแสงสว่างในทั้งก่อนมาและในการที่จะต้องไปข้างหน้าย่อมถือว่าเป็นทางที่ดี สำหรับดวงชิตทุกๆดวงที่ปรารถนาจะรู้ตัวตนก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทั้งหลายร่วมค้นหาตัวตนได้โดยการไขรหัสชีวิตเปิดกรรมหลังจากที่เรามีการไขรหัสชีวิตเปิดกรรมแล้วนั้นเราก็จะมีคาถาเพื่อให้สวดขับวิบากกรรมขอขมากรรม เรียกว่าเป็นคาถาทำความสะอาดจิตหรือดึงดวงจิตของเราที่ผลเปื้อนอยู่จมอยู่ทั้งหลายนั้นกลับมาสู่สภาวะภูมิจิตของเทพเทวดาเพื่อให้จิตของเรานั้นเป็นตัวกาหนดเราว่าจะต้องทำอะไรบ้างจิตของมนุษย์เรา ทุกๆคนจะมีภาษาจิตที่สอนอยู่ในกายเนื้อหากแต่ว่าจิตของเรานั้นมาเกิดเป็นคนเหนือก็จะพูดเหนือเกิดเป็นคนใต้ก็จะพูดใต้เกิดอยู่ในภาคอีสานก็จะพูดอีสานและหากเกิดมาอยู่ในชาวต่างชาติก็ย่อมที่จะพูดภาษานั้นๆไปแต่ทุกคนมีจิต ที่ซอนอยู่ในกายเนือ้อที่เป็นตัวเวียนว่ายตายเกิดข้ามพบข้ามชาติและเรานั้นก็ถูกลบข้อมูลทั้งหลายออกไปโดยจำไม่ได้แล้วว่าเรามาจากไหนมาทำอะไรมีหน้าที่อะไรสิ่งใดคือการหลงและสิ่งใดคือการนำทาง ของเราสู่ความหุดพ้นจิตถูกครอบด้วยขันห้าและกิเลสตัณหาทั้งหลายที่เป็นตัวหลอกลก่อชักจูงเราในการกระทําที่จะไปสร้างให้จิตนั้นเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นจึงมีคาถานี้ที่เป็นคาถาชำระจิตและดึงจิตให้มาอยู่เหนือกาย เพื่อให้จิตของเรานั้นมีพลังในการกำหนดกายของเราว่าควรจะทำอะไรดีเช่นจะเหมือนมีสองคนอยู่ในกายเดียวกันหากบางครั้งเราจะทำอะไรที่ไม่ถูกที่อยู่ในกรอบของการที่จะสร้างกรรมนั้นจิตของเราก็จะเป็นตัวบอกขึ้นมาว่าไม่ได้อย่าทำ นี่จึงเป็นคาถาที่ดึงจิตให้มีพลังเหนือกายให้จิตเป็นนายให้กายเป็นบ่าวจึงจะนำทางเราสู่ในกรอบขอบเขตของการกระทำความดีจึงจะไม่หลงทางสายปฏิบัติธรรมของเรานี้จึงมีการขายรหัสชีวิตเพื่อให้คุณรู้ว่า ตัวของคุณนั้นมีหน้าที่อะไรและมีคาถาเพื่อให้ดึงจิตของคุณมาเพื่อให้ชนะกายและคุณจะได้ไม่เดินทางหลงทางจะไม่ไม่หลงอยู่กับสิ่งที่เห็นที่มีและที่เป็นเพื่อให้จิตของคุณนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์และท้ายที่สุดนี้ก็จะมีการ สอนกรรมฐานการสอนกรรมฐานของเรานี้ก็จะมีคำบริกรรมที่ต่างจากสายปฏิบัติธรรมอื่นๆและจะมีการรับพุทธบารมีก็จะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านไปรับฟังกันต่อในช่วงท้ายและจะร่วมนั่งไปด้วยเลยก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนั่งสมาธิ พร้อมๆกันนะจ๊ะ